บทที่47ขอพระคุณพันเตคำอวยพรของพันเตจะสำริดผลหากพันเตจาถ้าไม่กล้าพอจะพูดออกมาจะให้ผมช่วยอะไรก็บอกมาได้เลยผมยินดีช่วยท่านอย่างเต็มความสามารถสมพันวัดป่ามะม่วงเอือ้อเฟือ ท่านพอจะรู้ว่าภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าจะพูดเรื่องอะไรหากผมพูดออกมาแล้วทำให้พันเตไม่พอใจผมก็ต้องขออภายัยแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดเป็นความสัจจริงทุกประการว่าถ้าหากพันเตจะช่วยสมเคราะห์พรที่พันเตเมตตาให้ผมเมื่อสักครู่นี้ก็จะสำเริจผล พันเตก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าให้บริสุทธิ์ผุดผ่องภิกษุอินเดียวัยสาพยายามใช้วาทะินผมพร้อมจะช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาขอให้ท่านบอกมาเถอะว่าจะให้ช่วยสงเคราะห์ อ, อะไรบ้างขอบพระคุณพันเตเลือเกินขอบพระคุณจริงๆ พันเตเป็นสักยบุตรพุทธโอรสที่ดำเนินตามรอยพระบาทพระศาสดาผู้เป็นพระราชบิดาของพวกเราพันเตพอแล้วครับพอท่านพระครูรีบโบกไม้โบกมือห้ามท่านไม่ต้องยกแบน้ำทั้งหา ก, ก็ได้ผมยังไม่ทราบเลยว่าท่านต้องการให้ช่วยเรื่องอะไรแล้วผมจะมีความสามารถพอจะช่วยได้หรือไม่ แสงสลัวจากหลอดไฟดวงเล็กทำให้ท่านพระครูสังเกตเห็นใบหน้าของคู่สนทนาสลดลงนิดหนึ่งแต่แล้วก็กลับมีความหวังขึ้นมาอีกเมื่อได้รวบรวมความกล้าแล้วบอกสิ่งที่ตนต้องการถ้าพันเตจะสงเคราะห์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนให้ผมผมค่อนข้างโชคร้ายที่เกิดมาในวันนะาสตรพ่อแม่ยากจน ถ้าผมได้เกิดในวัณหพราหมณ์หรือว่าวัณหกษัตริย์ก็คงจะไม่รบกวนพันเตแต่ก็ยังดีที่ผมได้เกิดเป็นจันทานซึ่งเป็นพวกนอกวัณนะพระพุทธศาสนาเป็นสังคมที่ปราศจากวัณนะไหนท่านก็ได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัดแล้วไม่ควรคิดคำนึงถึงเรื่องวัณนะให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อยน้อยใจ ท่านพระครูปรามไกลๆครับพันเตผมก็คิดว่าที่พันเตพูดมานั้นถูกต้องผมจะไม่คิดเรื่องชาติวันนะอีกแต่ว่าพันเตจะเมตตาสงเคราะห์ข้าเราเรียนให้ผมได้ไหมครับท่านต้องการคำตอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไรผมคิดว่าจะใช้ใจ่ายอย่างประหยัดที่สุดจะเดินทางโดยเรือแทนเครื่องบิน คิดว่าห้าหมื่นรูปีคงพอครับถ้าเช่นนั้นก็รอสักประเดี๋ยวผมมีเงินดอลล่าร์อยู่ในย่ามจำนวนหนึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 80,000 บาทผมไม่ทราบว่าเป็นเงินรูปีเท่าไรท่านไม่อยากคิดเพราะไม่ชอบคํานวณตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน1รูปีเท่ากับ1บาทห้าสิบสตางค์ ท่านคำนวณในใจอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าพอครับรู้สึกจะเกินด้วยซ้ำไม่เป็นไรเกินดีกว่าขาดถ้าเช่นนั้นรอสักประเดี๋ยวผมจะไปหยิบมาให้สมภารวัดป่ามะม่วงเข้าไปในห้องโถงที่มีพระพิสุทธิ์ไทยและอินเดียจำวัดอยู่หยิบย่ามของท่านออกมาโดยไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนภิกษุ ผู้อยู่ในห้วงนิตรารมเรื่องอย่างนี้ท่านชำนาญมาตั้งแต่สมัยอยู่กับโยมยายท่านสามารถขโมยเงินขณะที่โยมยายกำลังหลับโดยที่ไม่ทำให้บุพการีตื่นแม้แต่ครั้งเดียวได้เงินแล้วท่านจึงมอบให้ภิกษุอินเดียรูปนั้นทั้งหมดภิกษุวัย30แววตาเป็นประกายด้วยความยินดีท่านตั้งใจว่า จะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและจะศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังโลกตะวันตกผมไม่ทราบจะขอบคุณพันเตอย่างไรดีท่านคุกเข่ากราบท่านพระครูสามครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณพันเตจะไม่แบ่งไว้ใช้บ้างหรือครับเก็บไว้สักร้อยดอนจะดีไหม ท่านรู้สึกตะกิจตะขวงใจที่รับเงินของภิกษุอคันตุกะทั้งหมดไม่เป็นไรผมมากันหลายคนโยมที่เข้าปวาวรณาไว้เป็นอุปถากผมก็มาด้วยอย่างไรเสียเขาคงไม่ปล่อยให้ผมอดตายท่านพูดยิ้มยิ้มเพราะเชื่อว่าโยมเสงกับโยมผ่องใสใจบุญจะไม่ปล่อยให้ท่านเป็นเช่นนั้นให้เสียชื่อสกุลใจบุญของตน พันเตชแย่งดีกับผมเลอะเกินขนาดเพิ่งรู้จักกันก็ยังให้เงินผมมากมายถึงเพียงนี้ผมจะไม่ลืมพระคุณพันเตไปจนตลอดชีวิตท่านยกมือไหวอย่างนอบน้อมอีกครั้งหนึ่งนิ่งไปประเดี๋ยวหนึ่งจึงถามเพื่อลองใจภิกษุผู้สูงวัยกว่าตนพันเตเพิ่งรู้จักผมทำไมถึงไว้ใจผมขนาดนี้ เกิดผมเป็นนักฉวยโอกาสนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์พันเตจะเสียใจและเสดายเงินไหมครับไม่ทั้งสองอย่างท่านพระครูตอบเพราะรู้ว่าผู้อ่อนวัยกว่าไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนทำไมล่ะครับ ผมจะเสียใจไปทำไมในเมื่อผมให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายตาของผมแต่ถ้าท่านไม่ทำตามที่พูดไว้ท่านก็เสียสัจจะบาปก็จะตกอยู่กับท่านแต่ผู้เดียวถ้าเป็นอย่างนั้นผมกลับต้องสงสารท่านนึกเสียใจแทนท่านที่เป็นถึงศักยะบุตรพุทธโอรสแต่ก็ยังละบาปไม่ได้ คำพูดของท่านพระครูทําให้ภิกษุอินเดียถึงกับขนลุกท่านตั้งปณิธานในใจว่าจะไม่ยอมเสียสัจจะเป็นอันขาดพันเตวางใจได้ครับผมจะไม่ทาให้พันเตต้องเสียใจและเสียดายผมเพียงแต่ต้องการจะลองใจพันเตบัดนี้ผมรู้แล้วว่าพันเตมีหัวใจเป็นทองคาพันเตได้สร้างบา ร, รมีอย่างสูงสุดไว้กับพระพุทธศาสนา หากยังไม่เข้าถึงมรรคผลก็จะได้เข้าถึงในชาตินี้แต่ผมรู้สึกว่าพันเตเข้าถึงมรรคผลสูงสุดแล้วท่านพระครูรู้ว่าภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านยังไม่ได้สาเร็จมรรคผลจึงไม่สามารถยังรู้ภูมิธรรมของท่านแต่ที่พูดเช่นนั้นเพราะต้องการเอาใจมากกว่าอย่างน้อยก็ทำให้ความเป็นผู้ขอของตนดูดีขึ้น สมภารวัดป่ามะม่วงนึกถึงคำพูดของพระมกุฎเทศที่กล่าวถึงคนอินเดียว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานกรรมกรขร้าราชการหรือพ่อค้าหรือนายกรัฐมนตรีล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขอด้วยกันทั้งสิ้นจะต่างกันก็แต่เทคนิคและลีลาพระมกุฎเทศเล่าว่าครั้งหนึ่งพระมหาวิจิตเจ้าอาวาสวัดภาวนาพิรัตตาราม เล่าให้ฟังว่านางอินทิราคาน์ทีนายกรัฐมนตรีอินเดียได้นิมนต์ท่านไปฉันเพนที่ทำเนียบนางอินทิราเป็นผู้นำที่มีวาทศิลป์ยอดเยี่ยมได้สนทนากับพระมหาวิจิตและพระสงฆ์ไทยที่เธอนิมนตไปฉันเพนว่าในฐานะที่เป็นผู้นำของประเทศซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดู เธอจำเป็นต้องนับถือศาสนาเดียวกับพวกเขาแต่ในชีวิตจริงเธอนับถือพระพุทธศาสนาที่บ้านมีพระพุทธรูปและเธอสวดมนต์ทุกคืนพระมหาวิจิตบอกพระมะกุเทศว่าท่านไม่รู้ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอินเดียพูดมานั้นจริงหรือไม่รู้แต่ว่าเธอมีเทคนิคในการใช้วาทะศินขอบริจาคเงินเพื่อช่วยคนยากจน และท่านก็ได้บริจาคไปถึง200ดอลลา่าพระสงฆ์ไทยที่ได้รับนิมนต์ก็พากันบริจาครูปละหลายดอลลาหากการนิมนต์พระภิกษุสง์ไปฉันเป็นการลงทุนนายกรัฐมนตรีผู้นี้ก็ได้กาไรหลายเท่าตัวทีเดียวจากการอ้างความเป็นพวกเดียวกันซึ่งเป็นข้อบกพร่องของการใช้เหตุผลในวิชาตรร ก, กวิทยา ตกลงพวกนี้พันเตจะไปดูพระศรีอานจริงๆเหรอครับพระภิกษุชาวพรตะถามขึ้นเมื่อเห็นท่านพระครูนิ่งอยู่เมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่าผู้วิเศษที่ผมจะไปดูเป็นพระศรีอานมาอุบัติท่านมีเหตุผลอะไรจึงไม่เชื่อท่านพระครูตั้งใจทดสอบบุคคลที่ท่านลงทุน ส่งเรียนเพื่อให้เป็นผู้จะลงพระศาสนาต่อไปในอนาคตเหตุผลอยู่ในพระไตรปิฎกครับผมศึกษาพระไตรปิฎกมาดีพอสมควรยังไม่ถึงเวลาที่พระศรีอานจะมาอุบัติในโลกมนุษย์ครับถ้าผมบอกว่าผมเชื่อและขอให้ท่านเชื่อตามหากไม่เชื่อผมขอให้ท่านคืนเงินทั้งหมดให้ผมท่านจะว่าอย่างไร สมภารวัดป่ามะม่วงทดสอบภิกษุชาวพรตะอีกถึงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาดผมก็จะคืนให้กับท่านผมไม่ต้องการทรยศต่อเสด็จพ่อภิกษุวัยส0สพูดเสียงเครือรู้สึกเหมือนจะตกจากสวรรค์ท่านพระครูเห็นเช่นนั้นเกือบจะใจอ่อนหากต้องการจะทดสอบต่อจึงถามว่าผมอยากทราบเหตุผลที่ท่านไม่เชื่อ ว่าผู้วิเศษคนนั้นเป็นพระสีอานท่านบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกกรุณาอธิบายเหตุผมฟังได้หรือไม่ด้วยความยินดีครับและเมื่อผมอธิบายแล้วท่านคงจะเปลี่ยนใจไม่เอาเงินคืนภิกษุวัยส0ยังคงห่วงเรื่องเงินท่านพระครูยิม้มพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งสบายใจว่าผมเพียงแต่ลองใจท่านผมไม่เอาคืนหรอกครับ ภาษิตไทยสอนว่าให้แล้วคืนมะรืนนิ้ตายผมยังไม่อยากตายหมายความว่าอย่างไรครับมะรืนแปลว่าอะไรภิกษุวัยสาสิไม่รู้จักคำว่ามะรืนมะรืนหมายถึงวันถัดจากวันพรุ่งนี้ครับคนไทยเชื่อว่าถ้าให้ของใครแล้วเอาคืนคนให้จะต้องตายในวันถัดจากวันรุ่งขึ้น เป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับถามด้วยสีหน้าเช่มชื่นเมื่อคู่สนทนาบอกว่าจะไม่เอาเงินคืนเป็นความเชื่อครับอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนไทยจะเชื่อตามนี้หมดทุกคนผมเองก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่ แต่ที่พูดก็เผื่อต้องการให้ท่านสบายใจว่าผมไม่เอาเงินคืนเรื่องก็มีเท่านี้ล่ะครับที่นีท่านอธิบายให้ผมฟังได้หรือยังท่านทวงครับผมจะอธิบายเดี๋ยวนี้เรื่องพระสีอานหรือพระเมตยะพุทธเจ้านั้นมีกล่าวไว้ในจกกักรวติสูตรที่ขานิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11อ็ว่า เมื่อมนุษย์มีอายุยืน8ปดหมืปีพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตยะจะมาอุบัติขึ้นณเมืองเกตุมตีซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองพาราสีแต่ในอนาคตเมืองเกตุมตีและพระเมตยะก็คือพระเมตยะพุทธเจ้าที่คนทั่วไปรู้จักในนามพระศรีอานเมืองเกตุมตีมีพระเจ้าจากักรพรรด ทรงพระนามว่าสังฆะพระเมตยะจะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์มีนามว่าอจิตตะส่วนเมตยะเป็นชื่อโคตของท่านอจิตตะครองคารวาสอยู่แปดพันปีมีภรรยาชื่อจันทมุขีบุตรชายชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรมมามารดาชื่อพรหมวัตต เห็นนิมิตสีประการขณะเดินทางไปชมสวนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในคารวาดวิสัยจึงออกบวชและตรัสรู้สัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้นก็ประกาศพระศาสนาที่เมืองนาควันพระเจ้าสังขาจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์พระอโศกและพระพรหมเทวะจะเป็นอัครสาวก พระปธุมมาและพระสุมาจะเป็นอัครสาวิกาพุทธอุปถากมีชื่อว่าสีหะอุบาสกผู้เป็นอัครอุปถากได้แก่สุมาณะสังฆะยสวัตตีและสังคาหลังจากพระเมตรยะพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วาศาสนาของพระองค์จะยืนยาวต่อไปหนึ่งแสนแปดมืนปี นี่คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าแห่งพัทระกับครับพันเตด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เชื่อว่าผู้วิเศษที่พันเตจะบินไปดูในวันพรุ่งนี้เป็นพระศรีอาณมาอุบัติภิกษุวัยส0สยังคงยืนยันความคิดเดิมผมเองก็ไม่เชื่อแต่ผมต้องการลองใจท่านบัตรนี้ ผมรู้แล้วว่าท่านเป็นสักยบุตรพุทธโอรสอย่างแท้จริงผมดีใจได้สนทนากับท่านท่านพระครูพูดจากใจจริงขอบคุณพันเตมากครับในเมื่อพันเตไม่เชื่อแล้วจะไปทำไมครับผมว่าไม่น่าเสียเวลาไปดูเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายผมเพียงแต่จะไปพิสูจน์อะไรบางอย่าง คนไทยจํานวนไม่น้อยที่พากันหลงไหลแล้วก็แห่กันไปดูผมก็เลยจะไปพิสูจน์ว่าเขามีดีอะไรถึงทําให้คนไทยถึงกับต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปกราบไหว้สําหรับผมก็เห็นว่าเป็นคนประหลาดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างไรครับสมภารวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจหมายความว่า คนที่ผิดปกติผิดแปลกจากเผ่าพันธุ์ของตนคือคนคนนี้และคนแครปกติคนแครก็ต้องตัวเล็กใช่ไหมครับแต่นี่เขาตัวโตวผิดเผ่าพันผมจึงเรียกเขาว่าเป็นคนประหลาดธรรมดาธรรมดาไม่ไดีวิเศษวิโสแต่อย่างใดแต่เท่าที่ผมได้ยินมาจากปากคนไทยซึ่งพากันไปขอพรพวกเขา ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นผู้วิเศษจริงสามารถดนบันดาลอะไรอะไรได้สารพัดท่านพระครูพูดตามที่ได้รับฟังมาจากคนไทยกลุ่มหนึ่งที่หลงไหลผู้วิเศษคนนี้มากพวกเขามาเล่าให้ท่านฟังด้วยความชื่นชมท่านรู้ว่าไม่ได้เป็นดังที่พวกเขาเข้าใจการเดินทางไปดูผู้วิเศษ จะเป็นประโยชน์ในการสอนญาติโยมในอนาคตพันเตคิดว่าพรเป็นสิ่งที่เราได้จากผู้อื่นหรือครับในมงค ล, ลสูตรพระพุทธองค์ตรัสมงคลไว้38ประการตั้งแต่ไม่ครบคนพานไปถึงจิตกเกษมซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างต้องทำเอาเองมงคลกับพรมีความหมายเหมือนกันในแง่นี้คือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างต้องทาขึ้นมาเอง ไม่ใช่ไปขอจากผู้วิเศษที่ไหนคนอินเดียไม่ยอมรับนับถือผู้วิเศษกันทั้งหมดหรือผมคิดว่าในเมื่อคนไทยยังขามน้ำขามทะเลมาขอพรคนอินเดียก็น่าจะนับถือภิกษุวัย30ตอบว่าไม่ว่าคนอินเดียหรือคนไทยหรือไม่ว่าคนเชื้อชาติไหนในโลกก็ต้องมีทั้งพวกงโง่และฉลาด คนฉลาดก็เอาตัวรอดได้คนโง่ก็ต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาดแม้คนฉลาดเองก็ยังมีสองประเภทคือที่ฉลาดจริงกับฉลาดปลอมท่านการุณาขยายความได้ไหมครับคือผมต้องการทราบว่าความคิดของท่านตรงกับผมหรือไม่ท่านพระครูบอกอีกฝ่ายหนึ่ง ปันเตคิดตรงกับความจริงผมก็คิดตรงกับความจริงความคิดของเราก็ตรงกันเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันที่ผมพูดว่าคนฉลาดมีสองประเภทนั้นคนฉลาดจริงก็คือคนที่คิดตรงกับความจริงส่วนคนฉลาดปลอมคิดสวนทางกับความจริงความจริงแล้วคนพวกนี้โง่สิยิ่งกว่าคนโง่ธรรมดาธรรมดาสิอีกพวกคนฉลาดปลอมนี่แหละ ที่สร้างปัญหาให้กับโลกให้กับสังคมมนุษย์และที่เขาไม่รู้ตัวคือเขาสร้างปัญหาให้กับตัวเองอย่างร้ายกาจที่สุดเมื่อกรมาให้ผลนั่นแหละเขาจึงจะรู้ว่าตัวเองโง่าบาดซบที่หลงปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามอานาจของกิเลสตัณหาเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ทำลายล้างผู้ที่ขัดผลประโยชน์กับตน พวกเขาไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงดำเนินทางแห่งกิเลส ต, ตัณหาที่ชักพาไปสู่อบายต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักรชีวิตอย่างไม่รู้จักจบสิน้นด้วยอำนาจแห่งกรรมอันเกิดจากความหลงในสงสารขอบคุณมากครับท่านอธิบายได้ความชัดเจนแจ่มแจ้งมาก ผมโชคดีที่ได้มาพบกัละยาณมิตรท่านพระครูพูดจากใจจริงสรุปว่าพันเตไม่เปลี่ยนใจที่จะไปดูผู้วิเศษใช่ไหมครับภิกษุอ่อนวัยกว่าถามผมจะต้องไปเพื่อประโยชน์ต่อการสอนของผมจะไปดูให้เห็นกับตาว่าเขาผู้นี้เป็นผู้วิเศษจริงหรือไม่ ผมไม่ได้ไปเพราะเลื่อมใสศรัท ธ, ธาแต่ไปเพื่อทัศนศึกษาท่านพระครูตอบถ้าการไปดูผู้วิเศษคือการที่จะสามารถทำอะไรอะไรให้คนธรรมดาไม่สามารถทำได้เขาก็เป็นผู้วิเศษผมเองก็เป็นผู้วิเศษเพราะผมก็ทำได้อย่างที่เขาทำมหมายความว่าอย่างไรสมผานวัดป่ามะม่วงไม่เข้าใจ ผมเพียงแต่จะบอกว่าสิ่งที่เขาทำได้ผมก็ทำได้ถ้าการเล่นกลได้ทำให้คนเล่นกลายเป็นผู้วิเศษผมก็เป็นผู้วิเศษในความหมายนี้เพราะผมเล่นกลได้พันเตรอเดียวนะครับผมจะแสดงให้พันเตดูแล้วพันเตจะคิดว่าผมเป็นผู้วิเศษหรือไม่ถ้าลุกออกไปข้างนอกประเดี๋ยวหนึ่งก็กลับเข้ามา หิ้วกระป๋องเหล็กบรรจุหินก้อนเท่าไข่ไก่เข้ามาด้วยภิกษุวัยสาสวางกระป๋องลงและพูดกับท่านพระครูว่าพันเตดูนะครับผมจะแสดงบทผู้วิเศษให้พันเตดูผมจะกินก้อนหินเหล่านี้ให้หมดในกระป๋องภายในพริบตาท่านนั่งในท่าขัดสมาธิหลับตาบริกรรมคถาและแล้วภายในพริบตานั้น ท่านก็จับหินทีละก้อนใส่ปากอย่างรวดเร็วหินทั้งกระป๋องก็หายเข้าไปในปากท่านจนเหลือแต่กระป๋องเปล่าท่านทําได้อย่างไรท่านกลืนหินลงไปตั้งกระป๋องและไม่นักท้องแย่หรือสมภารวัดป่ามะม่วงถามยิ้มยิ้มท่านรู้ว่าภิกษุชาวพริตะไม่ได้กลืนก้อนหินลงไปจริงๆ เพียงแต่อศัยความเร็วของการเคลื่อนไหววัตถุทำให้เห็นอย่างนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่ายิ้มบ้างแล้วก็พูดว่าพันเตจับตาดูดีๆนะครับผมจะคลายออกมาใส่กระป๋องดังเดิมแล้วท่านก็คลายออกอย่างรวดเร็วโดยเอากระป๋องวางบนตักเพื่อรับก้อนหินที่คายออกมาชั่วพริบตาเดียว ก้อนหินก็เต็มกระป๋องเหมือนเดิมแบบนี้ผมเป็นผู้วิเศษได้ไหมครับท่านพระครูถูกถามได้ครับผู้วิเศษในความคิดของคนที่เชื่อง่ายแต่ไม่ใช่ความคิดของผมเพราะผมเป็นคนเชื่ อ, อยากครับผมเองก็คิดอย่างเดียวกับพันเตเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นนักเล่นคนธรรมดารรมดาคนหนึ่งเท่านั้น ท่านยกมือขวาขึ้นดูนาฬิกาท่านพระครูได้ความรู้ใหม่ในการมาสแสวงบุญครั้งนี้ว่าพระอินเดียพระพม่าพระศรีลังกาและพระประเทศอื่นๆท่านใส่นาฬิกาข้อมือกันมีแต่พระไทยเท่านั้นที่ไม่ใสตีสองแล้วพันเตควรพักผ่อนเพราะรุ่งขึ้นจะต้องเดินทางต่อ ผมจะไปส่งพันเตที่สนามบินได้เวลาจำวัดของผมพอดีผมเห็นจะต้องขอตัวขอบคุณท่านมากที่ให้ความรู้มากมายผมก็ต้องขอบคุณพันเตที่เมตตาสงเะห์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนผมจะไม่ลืมพระคุณเลยอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรคิดเสว่าเรามาช่วยกันสร้างความดี ให้กับเสด็จพ่อของเราจะช่วยการรักษาอริยสมบัติอันเป็นมรดกล้ำคา่าที่พระองค์ประทานให้และจะสืบท อ, อดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังพรุ่งนี้พบกันนะครับ